ถึงเป้าหมายของการเจริญสติหรือเป้าหมายของสติปัฏฐานหรือเป้าหมายของการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตตามหลักธรรมหรือตามทัศนะทางพระศาสนาเนี่ยบางคนอาจจะหวังมากกว่าที่พูดนี่หรือบางทีบางคนอาจจะไม่คิดว่าจะมันจะเป็นปานนั้นนะ ก็ฟังเล่นๆดูมีความภูมิใจไหมที่ได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยบางคนภูมิใจนะแต่ว่าคนไม่ค่อยภูมิใจอยากผูกคอตายอยากฆ่าตัวตายได้สาไปนธะ์าอะรเพราะว่ามันเกิดมาแล้วมันรวมมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจหรือเราอยากได้ก็เลยไม่อยากอยู่ วันก่อนนานแล้วแหละนะใช้ไม่ชีทําอะไรไม่รู้นะแย่าทําแบบล่าเล่าล่อๆถอยๆนะคือไม่เต็มใจทําเต็มที่หลวงตางก็เลยบอกว่าเฮ้ i, ยยศเธอไปทำเล่นอะไรตั้งจใจ ท, ทําจริงๆเด็กทาให้มันตายไปเลยบอกบอกเขาว่าทําให้มันตายไปเลยจะไปกลัวออื นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะนีกว่าขี้เหลืกลัวตายตำเตี้ยตำเตี ย, ตตยอะไรตําราเขาพูดนะส่วนมามันจะกลัวตายแต่เขาพูดออกมาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านหลวงตารเลยกลัวว่ามันตายแล้วเกิดมามันจะขี้ร้ายกว่าเก่าเลยก <c oughs> เกิดมาช่าง น, นี่ก็เจ๋อขนาดนี้ละ กลัวจะหน้ากลัวมันไม่ดีเท่าเดิมความรู้สึกคนนะจริงๆไม่ได้ไม่กลัวการเกิดนะแต่กลัวมันแล้วมันเพราะว่าคนหลายๆคนมีความรู้สึกว่าเกิดมาแล้วมันจะไม่เป็นอย่างที่ตนเองคิดคืออยากมีความสนุกความสะดวกสบายอะไรทุกอย่างอยากมีในสิ่งที่เรากำลังวิ่งหาปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีเพียบพร้อมละ ถ้ามีเพียพร้อมก็อีกนะคือมันต้องแก่ต้องเจ็บตายจากไปอยู่ดีเราคงรับไม่ไหวอ่ะมีทุกอย่างก็กลัวตายจากเกิดมาไม่มีก็อยากมีจริจริงมันมันอยู่ตรงที่ตัดความอยากออกไปซะความอยากคือสภาวะที่มันมันขับเคลื่อนทุกอย่างอยู่ตรงนั้นนะ่ะพอถอนความอยาก มันก็จะเป็นว่าเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เป็นเรื่องของมันนะเกิดก็รับได้ไม่เกิดก็รับได้คือเฉยเฉยกับการเกิดหรือการตายแต่คนหลายๆคนเนี่ยมันทำไม่ได้แบบนั้นเรารู้นะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันไม่เกิดจากการสร้างเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยของการมีหรือไม่มีอนั้นแต่ว่า เป็นการทำยังไงเราจึงจะแก้ไขปัญหาชีวิตที่มันสร้างความทุกข์ให้กับเราเนี่ยอะไรคือปัญหาที่แท้จริงนั่นแหละคือคือเป้าหมายของพุทธศาสนาที่ต้องการชี้ให้คนเข้าไปเห็นนะเป้าหมายว่าสาเหตุหรือปัญหาของทุก์เนี่ยที่แท้จริงมันคืออะไร แต่บางทีบางครั้งเราเองก็ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าทุกเนี่ยมันคืออะไรทุกมันคืออะไรแล้วสาเหตุมันคืออะไรสาเหตุของการเกิดทุกเนี่ยคือคนทั้งโลกนี่เขาจะมีภาวะของการมองแบบตื้นๆมองว่าความทุกเกิดจากความไม่มีความทุกเนี่ยมันเกิดจากความไม่มีก็เลยหาพอขยับมาหน่อย ในเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากความไม่มีไม่มีอะไระไม่มีความวัตถุสิ่งของก็มุ่งไปตรงนั้นนะแล้วก็ไม่มีความคิดอะไรที่มันดีๆทางจิตเนี่ยก็จะมองมาที่ความคิดด้วยมันคิดอะไรได้ไม่ดีมันศึกษาอะไรไม่ได้ดีความการศึกษาเราเรียนอะไรมันไม่ทะลุโปร่ปปปงไปอะ่ะคืออยากให้จิตมีความคิดวิจิตพิสดารอยากให้เห็นตัว ตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณเนี่ยมันฉลาดมากกว่านี้แล้วมันเที่ยงมากกว่านี้เราก็เลยขนขวายแต่ถามว่ามันถูกหลักไหมไม่ะมันมีเท่าไหร่มันก็เป็นเท่านั้นเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนดีจังเนี่ยพอเริ่มต้นก็ผิดแล้วนะในความรู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยนั่นเราจึงพยายามสวนกระแสกับ สัจธรรมคือเรามันทุกตั้งแต่เริ่มต้นและตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินชีวิตมันก็ทุกและเพราะมันสวนกระแสมันไม่ตรงกับกระแสที่ควรจะเป็นทุกเพราะไม่มี <c oughs> เราก็อยากมีมีโน่นมีนี่มากมายหลาหลายหมยถึงวัตถุสิ่งของนะก็พยายามจัดเสร็จในมันมีแต่มันมีก็อยู่ภายใต้กฎของมันไม่เที่ยงมันเดิมอะ เพราะความเปจริงกับมันไม่เที่ยงอยู่แล้วคือมันเป็นอนิจจังเราสวดนะตอนเช้าก็ดีตอนไหนก็ดีเนะี่ยรูปังอนิจจังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราพยายามไม่พยายามที่จะเข้าใจจุดนี้ให้มันเจนชัดขึ้นมาแต่เราพยายามที่จะไปทําอะไรให้มันเที่ยงขึ้นมาให้เป็นอย่างที่เราคิดนะนั้นตัณหามันก็แสดงรูปรักษ์ออกมาในด้านความรวยความสวย ความมีอืมแต่ที่จริงร่างกายนี้เกิดมาก็แตกดับโดยธรรมชาติจูทำไมเราจึงจะดูมันเฉยๆดูความแตกดับมันเฉยๆไปได้แบบสบายไม่ไปปรุงแต่งเติมเพิ่มหรืออะไรอาวรณ์กับมันเนะ่ะทำไงมันจึงจะมองเห็นว่าอันนี้คือรูปอันนี้เป็นเวทนาสัญญาสังานวิญญาณเป็นเพียงนาม ทำไมเราจะรับรู้แบบนั้นรู้ซื่อซื่อซื่อคือรู้ตรงตรงเนี่ยความรู้นนี้จะเกิดขึ้นบ้างไหมมันก็ไม่เกิดแล้วเพราะอะไรเพราะเราหลงใส่ข้อมูลมาตั้งแต่เกิดใส่มาเยอะมากลืมตาลืมตากว้างๆนะบางพวกก็หนักกว่านั่นหน่อยออเขาคิดว่าเขาก็เริ่มมองเห็นนะว่าเป็นเพราะความคิดนี่แหละ และพอความอยากทางร่างกายมันมีความอยากเกิดขึ้นความอยากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากร่างกายสมยมติฐานก็เหมือนความอยากเหมือนกันเป็นเกิดจากตัณหาแต่ตัณหานี่คือเกิดจากความรู้สึกทางร่างกายมันอยากอันนั้นอยากอันนี้ก็เลยไปทรมานมันนอนเสียด น, นอนน้ำทรมา imated, รร่างกายเกิดเป็นละทินี่คนนัตตบุญนี่เลื่อนละิพรามขึ้นมาละทิชีเปื่อยขึ้นมาละทิอะไรขึ้นมา ไปอดไปทนนะด้วยที่ลือศีมุนีดาบทคือไม่ให้มันคิดเกี่ยวกับร่างกายนี่ทรมานหนให้มันเหี่ยวมันแห้งไปนอกจากนั้นก็คือบางทีมันก็ยังไม่หยุดไม่หยุดก็คือไปเพ่งไปเพ่งจิตเพไม่ให้มันคิดให้มันหยุดเพ่งคําว่าเพ่งเนี่ยจึงเป็นคําที่มาของคําว่าฌาน ชานแปลว่าเพ่งไปเพ่งเพ่งจิตไม่มันคิดมันเฉยเฉยซะถ้ามันเฉยมันไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่แล้วมันเฉยนี่มันก็ขอคิดว่ามันไม่ทุกข์แต่ก่อนเห็นว่าพระมันเกิดขึ้นปัญหาทางนั้านร่างกายความรู้สึกที่เกิดขึ้นความอย่างอารมณกามารมณ์งูลหงิดปฏิฆะความรักสวยรักงามถอดเสื้อถอดผ้าซะไม่มันมีอ่ะ ให้เป็นธรรมชาติตำนานมันสัตว์เนี่ยถ้ามองดูชีวิตเป็นยังไงก็ไม่เห็นเป็นทุกข์นะเขามองแบบนั้นนะ่ะมันไม่เป็นทุกข์ถ้ามันยังทุกข์อยู่เอาไปย่างไฟต่างหากอีกทรมานพอทำหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ า, ขามันก็เขาเรียกว่าอัตตกีระมาถายุโยกภาษะพระพุทธเจ้าทรมานตัวเองแต่พวกเราทั้งหลายที่โภเพลินอยู่ในกามคุณเนี่ยเขาเรียกว่าการมาสุขันลิกานุโยก กามาสุขลัคุณหลงไหลพอใจในกรรมการมาสุขหลิการุยกคือประพฤติอยู่ในกรรมเป็นกรรมมาผจรวันหนึ่งตื่นขึ้นมาจิตมันจะวิ่งไปตามอารมณ์นี้กรรมแปลว่าความใคร่วัตถุกรรมก็คือรู ป, ปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์มันเข้ามาทางไหนที่เชื่อมต่อของการมคือตาหูจมูกลิ้นกายมันไหลเข้ามาตามนี้อันวันหนึ่งเนี่ยพอลองตื่นขึ้นมาแล้วลองคิดดูดิ มันไปทางไหนบ้างพอลืมตาขึ้นมันไหลทันทีเลยตามกระแสนี่ไหลไปตามกระแสนี้แหละตามกระแสเขาเรียกว่าการมาวิจอรจิตเนี่ยมันวิ่งไปตามการมาวาิจารเป็นอารมณ์กรมแต่บางทีมันไม่เป็นอารมณ์กรมนะแต่มันเป็นรูปมันไปหยุดอยู่กับรูปอยู่ความพอใจอยู่กับบา้านอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรรู้สึกว่ามีความพอใจ ได้ทำนั้นทำนี้ขึ้นมารู้สึกว่ามีความสุขใจติดใจรวมถึงสมาธิที่มันไปจ้องอยู่กับรูปเขาเรียกว่ารูปประชานฌานที่มันเพ่งอยู่กับรูปรูปก็มีอะไรล่ะดินน้าไฟลมเขาเรียกว่ามันเพ่งอยู่กับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นส ม, มถะนะที่พูดมาเนี่ย คือพูดถึงเป้าหมายของสัจธรรมเนีของพุทธศาสนาลงขั้สติปัฏฐานสี่แต่พื้นฐานมันมาจากความเข้าใจที่ไม่ตรงมันจะมาแบบเนี้ยท่านทั้งหลายลองไปทบทวนดูว่าความคิดนี้มันเป็นแบบนั้นไหมทั้นคนไหนก็ตามที่เพ่งดินน้ำไฟลมจ้องอยู่อะไรสักอย่างพอให้มันนิ่งเนี่ยก็เรียกว่าฌานทำฌานทีนี้หนักขึ้นกว่านั้นไม่ใช่รูปแล้วทีนี้ไม่ใช่รูปธาตุสี่เท่งเรื่องของอุปาทายรูปภายในเนี่ยเพ่ง ทุกที่อาศัยพวกเพ่งอากาศอาเงี้ยอากาสานัญจายตนะเพ่งอากาศเพ่งลมเพ่งวิญญาณวิญญาณคือความรู้สึกก็คือเพ่งให้มันนิ่งนั่นแหละนจนถ้ามันหดหายเหมือนไม่มีตัวตนเลยนะเขาเรียกว่าเป็นพรหมลูกฟักนี่มันพัฒนาพระพุทธเจ้าไปทำมาอย่างเนี้ย ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างที่ท่านเข้าใจคือมันดับทุกไม่ได้พอออกจากฌานคือทำตามลำดับเลยทุกขั้นตอนเลยมาเนี่ยของเรานี่มันสบายหน่อยคือมาฝึกตามหลักของสติปัฏฐานสูตรไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านทำที่ท่านทำมาก่อนเนะ่ท่านบอกว่านี่มันไม่ใช่ทางทางเอกายโนเอกายนามัคเนี่คือเรื่องของการ ทำความรู้ตัวทำความรู้ตัวอยู่กับกายเรียกว่ากายยาคตาสติสติระลึกรู้กายเวทนาบางทีในดูเวทนาด้วยนะกายยาคตาสติใ้เห็นเวทนาที่ปรากฏกับกายด้วยทีนี้ก็มาดูจิตมีสติระลึกรู้กับกับจิตเราตอนนี้มันเฉยเนาะก็รู้จักมันคิดนะก็รู้จัก มันคิดก็รู้มันเฉยก็รู้มันไม่เฉยก็รู้มันเกิดปีติก็รู้เกิดสมาธิก็รู้เกิดการปล่อยวางรู้รู้ว่าจิตมันปรุงแต่งก็รู้อันนี้เขาเรียกว่าจิตาาจตานุปัสสนาในจิตตานุปัสสนาถ้าเฝ้าดูมากๆก็จะเริ่มเห็นธรรมมานุัสสนาปรากฏขึ้นด้วยคืออารมณ์อารมณ์นี้ตั้งแต่อารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์นิวอนอารมณ์ธาตุสีหันหน้าวั น, นี้นะจนไปถึงตัวธรรมอารมณ์แท้ๆที่เป็นตัวของพชทธชง ตัวของอริยสัตว์4ปรากฏเกิดขึ้นตัวมรรคตัวผลเนี่ยอันนี้คือพุทธศาสนาเขาจะสอนเรื่องเนี้ทีนี้ก็จะล่วงล่วงพาละอันนั้นมานเพราะในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาลอลึกรู้ดูกายดูจิตเนี่ยมันก็เลยไม่จำเป็นต้องว่าไปเป็นนักบวชอยู่วัดอยู่วาต้องถือศีลเคร่งครัด ที่เป็นลือสีเนี่ยเป็นดาบทเป็นมุนีเป็นเนี่ยเราไม่ต้องเข้าสู่ภาวะอันนั้นเพียงแต่ว่าเรากำหนดรู้สึกตัวมีสติอยู่กับกายเท่านี้มันก็จะสามารถคลี่คลายปัญหาของชีวิตที่เราติดสมมุติเราไม่เข้าใจสัจธรรมให้มันหายไปได้แต่ทำยังไงไมันีึจะเข้าถึงภาวะอันนั้นนั้นหลักการของพระพุทธเจ้าท่านย่อเลยอ้าวสติปัฏฐานเนี่ย ฝึกสติให้ใเลยลึกรู้ท่านไม่ได้พูดอยู่กับปัจจุบันนะรู้อยู่กับกายกับกายก็กายปัจจุบันเนี่ยเราเคลื่อนไหวไปมาเนี่ ย, ยนี่เพราะอะไถึงฝึกสติเพราะชีวิตเราเกิดมาเป้าหมายเราก็ไม่อยากเป็นทุกข์เราไม่อยากเป็นทุกข์นะแต่เราอยากรู้ความจริงว่าที่เราทุกข์เนี่ยมันเราเข้าใจถูกไหม ทุกทางกายเกิดเพราะตัณหาเนี่ยหรือเหมือนเข้าใจก็พวกฤาษีมมนีดาบททั้งหลายจริงๆมันน่าจะไม่เข้าใจแบบนั้นนะเพราะน่าจะเข้าใจที่เป็นเป็นสัมมาทิฐิในเบื้องต้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเลยคือความทุกข์นี่มันเกิดจากตัณหาเกิดจากความปรุงแต่งจากจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วสติเราไม่รู้เท่าทันมันเนี่ย มันก็เกิดความปรุงแต่งเกิดเป็นตัณหาเป็นนาคะเป็นโทสะเป็นโมหะมันจะขึ้นมาจากจิตเราทีนี้ท่านใครมาเฝ้าเออมาเฝ้าดูสิมาเฝ้าดูมาเลืลึกรู้ถ้าเฝ้าดูรู้เท่าทันก็จะเป็นสติสติเลื่อลึกรู้เท่าทันเท่ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดปัญญาเกิดศีลนะเกิดศีลศีลมากขึ้นเกิดสมาธิ สมาธิเกิดขึ้นมากๆก็เกิดญาณทัศนะพอปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะใช้คําว่าญาณทัศนะเขาจะไม่ใช้คําว่าปัญญานะในพระไตรปิฎกไหลายๆอย่างเนี่ยแต่ความหมายก็คือคําเดียวกันนะนะั่นแหละเพียงแต่ว่าให้คนเข้าถึงลึกยิ่งกว่าที่คิดว่าเราเข้าใจอ น, นั้นแล้วก็เกิดวิมุตต์หลุดพ้นออกไปจากภาวะที่เรามีเราเป็น ที่เราสำคัญมุ่งหมายน่ที่พอเราหลุดพ้นมาโอ้เป็นอย่างนี้เนาะการดับทุกข์มีประมาณเท่านี้แต่ว่าเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจในในกระบวนการการทำงานของสติเนี่ยของทุกข์เนี่ยว่ามันเกิดมันดับยังไงที่เราเป็นทุกข์นี่เพราะอะไร ในการที่เอาสติมาเลื่อนลึกๆเฝ้าดูกับกายเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเริ่มเห็นความทุกข์ว่ามันเกิดมาจากอะไรที่เขาเรียกว่าอืมพอมาเฝ้าดูจริงๆเลื่อนลึกๆดูเนี่ยกายก็ปล่อยตามธรรมชาติมันมันอยากก็ดูมันมันหงุดหงิดก็ดูมันมันเบื่ อ, อ ก, ก็ดูมันขี้เกียจก็ดูมันดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเริ่มรู้สึกว่ากายเนี่ยเอาไว้ที่ไหนก็ได้โยมทนเยอะๆนะทนเวทนามากๆหน่อย ถ้าอยากเห็นความคิดเนี่ยเพราะถ้าเราเปลี่ยนอยู่เรื่อยเปลี่ยนในจิตบทได้เรื่อยเนี่ยมันจะปิดบังทุกเพราะจิตเรามันคิดปุ๊บเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนมันไม่ทุกข์นะแต่ว่าการการเข้าใจโดยการรู้แจ้งในทุกขอะเนี่ยมันจะไม่ปรากฏเกิดขึน้นงั้นเราก็ทดสอบดูทดลองดูอา้าดูดินั่งดูนานๆเป็นทุกข์ไหมขามมนก็ไม่ทุกข์เนี่ยแต่จิตมันจะทุกข์มันคิดโน่นคิดนี่ไป เราจะเริ่มรู้จัก น, น้อยๆว่าโอ้ทุกข้อความคิดนั่นนี่เนีเรารู้จักว่ามันทุกข้อความคิดเนี่ยรู้ตื้นๆ น, น, นะอันเนี้ยมันยังไม่ได้รู้ลึกนะเน่หลายคนว่าตัวนี้รู้จักความคิดตัวเองเห็นความคิดตัวเองตัดความคิดได้ทีนี้เหตุให้ไหม่เกิดความคิดมันมาจากไหนความคิดเนี่ยอาจจะเป็นเป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้อยู่ข้างนอกตัวตัดได้เนี่ย แต่เราไม่ลงลึกไปถึงป่านนั้นน่ะปัญญามันไม่พอดังนั้นก็มาเจริญสติทำให้มันต่อเนื่องทีนี้ย้อนไปอยู่ในคำพีเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรนั่นพ่อโศกปริเทวานังสมติกมายะฝึกสติอันเนี้ยสติปัฏฐานเนี่ยตำรักสติปัฏฐานเนี่ยจะนำมาซึ่งความดักความโศโศกปริเทว ปริเทวานาการเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจพิรไรลำพันคือคิดแล้วคิดอีกนะเรื่องเดิมคิดแล้วคิดเขาเรียกว่าปริเทวทุกขโทมนัตวายาทุกขโทมนัตซานังอัดทั้งขมาขมาทำให้ทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจความพิไรลำพันเนี่ย มันสลายไปมันแตกสลายไปอัดถังเข้ามาคือมันมาลายหายไปจากใจายไปแล้วคเหลือใจที่ล้วนๆไว้อยู่ในใจเราเนี่ยถ้าทําสติปัฏฐานเนี่ยคือระลึกรู้นอย่างเนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็มาตรงกับชีวิตเราดีที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราถามว่าทุกคนมีไม่ความโศกมีความเศร้าเสียใจความพิลลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคลนใจโอ้ยเต็มไปหมดเลย วันหนึ่งมันก็คิดแล้วมันก็ทุกข์แล้วเพราะเรื่องนี้นี่นั่นเราจรึงมาเฝ้าดูมันนี่ให้มันเห็นสัตตานังวิสุทธิยาเนี่ยสัตตานังวิสุทิยาเป็นความปฏิบัติอันนี้จเจริญสติ น, นี่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายคำว่าสัตว์ทั้งหลายนี่หมายถึงสภาวะจิตเรานี่แหละ ที่มันมีความคิดอยู่ในใจแดีวมันจะสูงขึ้นนะเนี่ยเราเคยเห็นนะยานที่สองเนี่ยมันจะเกิดจุตูวปาิยานภาษาพราะที่แรกหลผูู้เพนิวาสารมีสียนที่สองจุตัวปฏิเพื่อเห็นการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายภาวะอันนี้ก็เหมือนกันที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติจนกระทั่งมันเห็น การมาลายสลายหายไปความบริสุทธิ์หมดจดโซ่กับปฏิเทวนนั่นก็สัตตานังวิสุติยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์จิตที่มันคิดขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามันมาด้วยสัญชตาตญาณไหลไปตามกระแสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ภาษาละเนี่ยแล้วเราไปเกิดเป็นนั้ น, น, นเป็นนนี่ขึ้นมานเรื่อยๆในจิตเราเนี่ยมันสร้างภพสร้างภูมิมาเยอะมาก หลายคนถามว่าวันนี้คิดเยอะไหมเยอะมากคิดกี่ครั้งโอ้ยหลายครั้งคิดกี่เรื่องหลายเรื่องเรื่องหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพบหนึ่งหนึ่งของจิตมันจะฝังอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้มันออกจากความคิดตัวนี้กัคาคิดความคิดนั้นออกจากความคิดตัวนั้นกัไปความคิดตัวนี้มันเขาก็แยกย่อยว่ากามาพบรูปประพบอรูปประพ บ, พบอยู่แค่เนี้ยเนี่ยไม่ได้ไปไกลเลยคาสอนพุทธศาสนานี่จะมีอันเดียว ถ้าเราเข้าใจถูกก็ถูกถ้าเข้าใจผิดปฏิบัติทำก็ <c oughs> ไม่เห็นทำคือไม่เห็นอันนี้ยแต่จะไปเห็นว่าเออ<ม>เกิดมาแต่ท้องใครชาติหน้าจะไปเกิดที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะไม่เห็นอันนั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องนี้อย่ายัตสะอธิคมายะอย่ายัตสะอธิคมายะเป็นธรรม เครื่องนาคนออกจากทุกสติเนี่ยยายาสะธิกรมายะเป็นธรรมที่สัตว์ทั้งหลายสัตว์มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยรู้ฟังดีๆนะเป็นธรรมมันสัตว์พึงรู้คือมันมันไม่ใช่ว่าเราจะรู้ไม่ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยยาณทธสระกดีปัญญากดีส ต, ติและลึกรู้นี่ก็ดีเป็นธรรมที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องรับรู้อันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องของพระ อ, อินทร์พระพร เรื่องของคนมีบุญมีบาปเลยไม่ใช่แต่เป็นธรรมที่สัตว์ทั่วไปจะต้องรู้อันนี้สัตว์อะไรสัตว์มนุษย์นะเราไม่ต้องไปพูดถึงสัตว์ดิบฉานนะนะสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์อากาศไม่ต้องพูดถึงอันนี้เขาพูดถึงแต่สัตว์มนุษย์อันนี้สัตว์มนุษย์ในสัตว์มนุษย์ก็แยกออกไปเป็นอาพัพภะบุคคลในสิบแปดประเภทนัก็ลําบากอีแหล้ที่จะปฏิบัติทํารู้อันนี้ มันก็จะมีจํานวนไม่มากมีคนไปถามหลวงพ่เทียนหลวงพ่อคนทนํำมนตริยกรรมเนี่ยบรรลุธรรมไหมบรรลุธรรมได้ไหมทํานัณฑลิยกรรมหลวง่เทียนถามว่าขึ้นชื่อว่าเป็นคนได้หมดหลวง่เทียนว่าขึ้นชื่อเป็นคนได้หมด เอาแล้วทําไมตาราพระพุทธเจ้าสองท่านเขาว่าตำราหลวงปรเรียนว่าอันนี้หลวงพ่อคนอันกันแล้วตํารามันก็คือตำราอันนี้หลวงพ่อเช่ไหมหลวงพ่อก็ทํามาท่านเคยกตัวอย่างเนาะท่านสอนคนที่ไปฆ่าคนคนสอนคนที่มันไปฆ่าคนนี่ะมาปฏิบัติธรรมก็ยังเข้าใจธรรมะดันว่าฆ่าตำรวจฆ่าอะไรบ้างนะแต่มาฝึกกับท่านก็ยังรู้ธรรมะ มันรู้ได้รู้ได้ขอแต่ตั้งใจทำอ่ะแต่ท่านบอกไม่ได้สอนให้คนไปฆ่าคนนะเนี่ยแต่สอนว่าคนฆ่าคนปฏิบัติก็รู้ได้ท่นถ้างั้นองค์พมาณมันจะรู้หรือเดี๋ยวนอยดงนั้นเราทั้งหลายก็เหมือนกันมาปฏิบัติทำเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาที่บอกว่า มันเป็นปัญญาอันเนี้ยเป็นภาวะที่สัตว์มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจะต้องรู้สุดท้ายก็คือ น, นิพพานาสัจจิกิริยายเป็นการทําพระนิพพานให้แจ้งเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้ก็เหมือนเหมือนว่านิพพานอยู่ใกล้ตัวเราอะทำพระนิพพานให้แจ้ง <c oughs> ไม่ใช่หาพระนิพพานให้พบไม่ใช่นะทําพระนิพพานให้แจ้งแสดงว่านิพพานมันมีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วเนี่ย แต่เพียงแต่ว่ามันไม่เกิดมันไม่แจ้งทําให้มันแจ้งนิพพานแปลว่าแปลว่าเย็นเย็นดกเย็นใจศา ส, สนาอื่นเขาก็มีนิพพานเต็มหมดนะศา ส, สนาพุทธก็มีนิพพานนั้นเวลาพวกศาสนาอื่นเนี่ยเขามาเจอพระบรมศาสดาของเราเนี่ยเขาจะกราบขอร้องกรุณาท่านกรุณาได้โปรด แสดงนิพพานของท่านให้ฟังด้วยเถิดเนี่ยคือในศาสนาอื่นเขาก็มีนิพพานในตัวเองภูกุธกจัจยนะมัคคิริโคสานิค น, นาตบุตรสัญชัยเวรัตบุตรครูทั้งหกสมัยก่อนเขาก็มีมอดนิพพานศาสนามีนิพพานหมดนั้นเขาให้พระศาสดาเนี่แสดงนิพพานของท่านว่ามันเป็นยังไงว่าให้ฟังอ่ะสมัยก่อนคนไหนก็ทำปฏิบัติ วิธีไหนก็ตามถ้ามันสงบสงัดเนี่มันนิพพานแม้แตตาโวควายก็เหมือนกันัวควายก็นิพพานช้างมาโวควายนิพพานคืเ<ล>วลาเขาไปซื้อวัวซื้อควายเนี่ยสมัยโบราณเขาจะถามอะวัวตัวนี้มันนิพพานหรือ ย, อยังเขาถามเขาว่านิพพานในหมายถึงฝึกได้หรือยังมันนิ่งหรือยังมันหายพยศหรือยังมันเย็นหรือยังมันเอาไปใส่แอกใส่เกวียนได้หรือยังใส่ไถได้หรือยัง ถ้ามันนิพานเขาก็ซื้อทำไมนิพานก็เป็นอีกราคาหนึ่งวัวตัวนี้นิพานหรือยังม้าตัวนี้นิพานหรือยังเนี่ยทีนะี้จิตคนเนี่ยมันยังมีความพยศอยู่ข้างในเนี่ยมีความพยศมีความอดสูมีความพอใจแบบพอใจมมงูนี้เือะเรื่องอะไรต่างๆเป็นอยู่ข้างในเนี่ยมันยังไม่เป็นอริยะภาษาพระอริยะคือห่างไกลจากกิเลสอริยะเขามีหลายภูมินะนะอริยะ โซดาสกิทาคาอนาคาอารหัน์เนี่ยมันจะเป็นจังหวะจังหวะจังหวะแล้วแต่ว่าห่างไกลระดับไหนห่างไกลความคิดระดับไหนทําลายความคิดความปรุงแต่งไระดับไหนไอ้ที่บรบกวนจิตเออทำลายได้ท่านี้สองตัวอา้าวตัวนี้ทําให้เราบางอันนี้ทําโอรัมปากียสังโยชน์เบื้องต่ําทําลายได้เบื้องสูงยังยูอะไรประมาณนั้นนะมันจะเป็นจังหวะเป็นชั้นเป็นชั้นของมันแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ในในระหว่างไหน ท่านท่านก็จะแสดงให้เข้าฟังนี่ผ่านเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ดับสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์สิ้นอาสวะเราจะได้ยินว่าพระอรหันต์ขีนาสวะขีนาศพคือผู้ปราศจากอาสวะที่หมกหมุนอยู่ข้างในใจ อันนี้เองที่บุรีเรียกว่านี่คือเป้าหมายของการพัฒนามนุษย์ตถาคตมาเจอนี่แล้วแล้วก็มาสอนพวกเธอทั้งหลายแล้วท่านก็มีพยานยืนยันในวันอสานนบูชาคือมีพระสงฆ์เกิดขึ้นหนึ่งรูปฟังธรรมของท่านแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาเขาเรียกว่ากนธัญญาโกนธัญญาี น, ญญานรู้ก่อนเพื่อนเขาเรียกว่าอัญญาคนที่รู้ก่อนเขาเรียกว่าอัญญารู้แจ้งก่อนเป็นอัญญากนธัญญา เป็นพยานดีเนี่ยว่าเออมันมีจริงนะอันเนี้ยนี่แหละคือเป้าหมายการพัฒนามนุษย์ของพุทธศาสนาคือการพ้นทุกข์อันเนี้ยที่เราเกิดมาเป็นคนนับถือพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราก็ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์นะนับถือพุทธศาสนานี่คือทฤษฎีอันหนึ่งอ่ะที่เอามาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองออกจากทุกข์ได้ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะสอนแก่นมันนะสอนแก่นธรรมพระพุทธศาสนาก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะมันเนิ่นานานผ่านเวลามานานนะท่านอสอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสอนเรื่องอริยสัจสีเรื่องสุเนตตาท่านพูดโดยซ้ําไปนะในตำราในอนาคต เหล่าสาวกพระสงค์ทั้งหลายจะไม่ใส่ใจในเรื่องกันศึกษาในอัฏฐอัฏฐะคือความลุ่มลึกของสัจธรรมที่ท่านสอนเนี่ยไม่เข้าถึงในพยัญชนะในอัฏฐพร้อมด้วยอัฏฐพร้อมด้วยพยัญชนะไปหลายะส่วนนะอัฏฐก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหละพยัญชนะคือเข้าใจความหมายมันอย่างถูกต้อง เรียนจำมาผิดผิดแล้วต่อไปเนี่ยาศาสนาของตถาคตจะเสื่อมสลายไปเพราะเราถือกันไปผิดผิ ด, ผดคนไม่เข้าถึงแก่นที่เปลือกต่อไปคนมันจะไม่พูดถึงพระสงฆ์พระเจ้าเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องอริยสัจสีไม่พูดถึงเรื่องปฏิจสมุบาติไม่พูดถึงเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญาตาเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอะไรที่เป็นมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงแล้ว แต่พูดถึงตื้นต้นเรื่องตรกะเรื่องปรชัชญาโอ้ท่านพูดไว้ดีหลังจากนั้นมาก็ปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นจริงแบบนั้นนะทีเราก็มาดูว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายของการมาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเราตรงไหมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยปม ต, ตามหลักสติปัฏฐานสี่ไหม ที่เขาบอกทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นแบบนั้นฟังดีๆนะเอาง่ายๆปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสีกายกายานุปรีสีอันนี้สิโตจวิหารตินาคิจะกินจิโลเกอุปาทิยติมันจะลงบทนี้เหมือนกันหมดเลย อันนี้สิโตจะวิหารติที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาจใส่ไม่ได้นั่นจะกินจิโลเกอวาติยติเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวัปิโคพิกเวกุกเยกยานุปัสสีอันนี้ชื่อว่าเราเป็นผู้เห็นมีสติเห็นกายในกายอยู่มันเหมือนกันเลยเวทนาก็เหมือนกันนะ่ะนั่นจะกินจิโลเกอวาติยติ เธอไม่ยึดมั่นอะไรในอะไรในโลกนี้เอวัมปิโคปิกเวปิกุเวทนาสเวทนานุปสัสสีเหมือนกันเลยเห็นเวทนาก็คือเอาความพอใจและความไม่พอใจออกจากจิตได้เห็นจิตละ่ะเห็นจิตบทสรุปมันก็คือเอาความพอใจและความไม่พอใจจากจิตออกได้เห็นธรรมธรรมะที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นธรรมที่เป็นกุศลรธรรมหรือเป็นอกุศลอะไรเกิด ข, ขึ้นก็นตามสุดท้ายก็คือธรรมเมสุธรร ม, มานุปัชฌีวิหระรติ อันนี้สิโตจะวิหารติมันเหมือนเหมือนกันเลยบนสรุปคือที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัญหาและที่ทิอาศัยไม่ได้เธอละความพอใจและความไม่พอใจความยึดติดในโลกออกเสียได้นี่แหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันเหมือนกันเลยนะกายรู้ลึกๆ ก, กายก็คือนิพพาน ระลึลกรู้เวทนาก็คื อ, อนิพพานคือเอาออกได้หมดเลยเกี่ยงระลึกรู้จิตก็คือนำความพอใจและความไม่พอใจออกได้ละลึลกรู้ธรรมก็านำความพอใจและความไม่พอใจออกได้ถ้าเรารลึกรู้อันไหนก็ตามถ้าเราเรอ า, เาความพอใจไม่พอใจออกจากจิตได้นั่เรียกว่าเรากำลังรูมม้ถูกเรียกว่าสัมมาสมาสติเรียกว่าสัมมาสติคือระลึกรู้ถูกนี่แหละ แต่บางทีเราลูบๆรู้แม้แต่กายก็ยังเอาความคิดหงไม่ไดดเราก็อยากไปรู้จิตรู้เวทนารู้โนรู้นี่ไปเรื่อยทำอันเดียวนั่นแหละให้มันจำแจ้งทีนี้ถ้าเปลี่ยบพุทธศาสนาเมื่อพูดเมื่อเช้านี้พูดถึงเรื่องช้างทีนี้พูดถึงต้นไม้นะพระพุทธองค์ท่านอุปมาไมว้ว่า ศา ส, สนานี่คําสอนเนี่ยเกนของมันแก่นแท้ของศาสนาเหมือนแก่นแท้ของไม้เราจะมาทําบ้านทําเรือนทําอะไรเนี่ยเราต้องเอาไม้เอาแก่นมันมาทำเถ้าเปลือกมันมาทําได้ไหมไม่ได้มันก็พังมันก็ผุลงไปเอาต้นกล้วยมาทำเดงเขาไม่ทำอะ่ะทีนี้บุคคลผู้มาปฏิบัติธรรมคือบุคคลผู้มุ่งมั่นที่จะศึกษาพระพุทธศาสนามุ่งมั่นที่จะศึกษาพระธรรม มุ่งมั่นที่จะศึกษาทฤษสีิญี้เพื่อมาประกอบกับ ก, บการดำเนินชีวิตโยคาเวชายุเตปุริเอาสตินี้มาประกอบกับ ก, บ ก, บการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตไปเนี่ยมันดึงจะไม่เป็นทุกข์ที่ผ่านมาเราไม่มีสติเนี่ยเราทำอะไรก็ทําแบบฟรีไปหมดเลยไม่มีการกําหนดรู้ไม่มีการมีการมาดูใจไม่มีการสติเนี่ยมาประคับประอคองดูจิตเรามันก็เลยเหมือนว่า ชีวิตเราเนี่ยเรายังไม่ได้ศึกษาเลยเราไหลาตามความอยากไหลาตามสัญชตาตญาณไหลาตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเรามามีอุปทานกับนี้เราก็ไหลไปตามอุปทานที่มันบงการเราพยายามวิ่งเต้นไปเป็นอันนั้นไปเป็นอันนี้ให้ได้เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อหาคําตอบของชีวิตนั่นแหละแต่จริงๆสิ่งที่เราหาในวิธีการอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องของสติปัฏฐานเนี่ย อันนั้นมันจะเป็นสมมุติมันจะฝืนกับอริยสัตว์มันไม่ใช่ทางมันมันไม่ใช่ทางทางต้องมาทางนี้จึงจะปลอดภัยเนี่ยไปทางนั้นมันก็เป็นทุกข์เหมืนเนาะอย่างระลึกรู้เนี่ยระลึกรู้เอาจิตมันก็ปลอดโปร่งนะเนี่ยเมื่อไรมันปลอดโปร่งมาโลงรู้หลบรู้นามสติสัมปชัญญะอยู่กับจิตมันนั่นแหละเรื่อเป็นมรคน่ะแต่มันเป็นมรคนี่นี่ยมันเขาเรียกว่าโสดาปฏิมร์โสตาปฏิมร์คือภาวะที่เราได้สติระประองรู้โสดาปฏิมร์ มันเป็นมักแต่มักอนี้มันจะหลุดอยู่เรื่อยปัญหาวะเนี่ยเราหลุดออกจากมักอยู่เรื่อยก็กลับเข้ามาเส้นทางบางทีก็หาทางเดิมไม่เจอนะนั้นมีวิธีไหนก็ตามอที่จะออกจากความคิดเพื่อเข้ามาสู่มักเนี่ยให้ได้หรือบางทีทําลายความคิดแน่ๆแล้วอยู่กับมักเนี่ยแล้วลึกรู้ไปเนี่ยแล้ลึกรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้แหละเราจะเดินไปเอาแก่นมั่นอือจะเดินไปเอาแก่น แกนไม้แกนคำสอนเนี่ยมันอยู่โน้นนิพพานอยู่โน้นแต่อันนี้คือเริ่มเริ่มปฏิบัติก็คือเริ่มเดินทางก็คือหลังจากได้ตัวปัจจุบันเป็นอารมณ์คนที่จะรู้จากจิตได้เนี่ยมันต้องเห็นจิตชัดๆก่อนนะคนที่จะดับทุกข์ดับอุปท า, านในขันห้าได้เนี่ยมันต้องรู้จักว่าจิตล้วนๆขันล้วนๆขันที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นยังไง เวลาเราปฏิบัติทำเราจึงจะเลื่อนสติให้มันเห็นขันห้าอันนี้มันชัดเจนแล้วอะไรคือความแปลกปลอมที่เข้ามาในขันห้าทีเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจสภาว่าอันนี้ตายน ะ, นะคือเข้าโหมดอันนี้ยังไม่ได้ตัวรู้อันเนี้ยตัวรู้รูปรู้นามอันเนี่ยมันยังไม่พอพราะไม่พอมันก็ไม่มีพลังในการสลัดสมมุติทิ้งตัวพรุงแต่งออกไปได้ แต่อย่างไรก็ตามนะอันนั้นพูดวันใหม่ทีนี้จะพูดถึงเรื่องอันนี้เรื่องแก่นคำสอนเนี่ยมันมันไปทางเส้นทางนี้บอกให้รู้นะว่ามันไปทางนี้หลังจากที่เรารู้ตัวเนี่ยอันนี้ที่เราทาทุกวันทุกวันเนี่ยเพื่อจะเข้าอันนี้ให้ได้เข้ามาสู่เท้นเส้นทางถนนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่โสดาปฏิมรกเนี่ยโสดาปฏิมรแต่มันยังไม่เป็นผลนะ ก็คือตั้งแต่เรามีสติแระลึกรู้เป็นนี่แหละเมื่อไหร่ที่เราระลึกรู้นี่แหละเราเพ่มเริ่มเข้าสูงมากคล้วเรามีความมั่นใจเลยว่าสติเนี่ยจะดับความคิดดับความปรุงแต่งได้คือมันรู้จากจิตเมื่อเมื่อเมื่อมันดับความคิดได้แล้วนะดับความคิดความปรุงแต่งได้ออกไปแล้วที่มันเหลือจิตล้วนๆมามันเป็นยังไงอ่ะคนตั้งหลายนี่มันเอาออกยังไม่ได้แต่ก็รู้เออมันคิดก็รู้มันคิดนะ มันไม่คิดก็รู้อันรู้แบบนี้มันยังไม่ใช่การรู้แบบนั้นนะมันยังไม่มีความประทับใจความรู้สึกตัวนี่มันไม่มีพลังในการกวาดเอาความคิดห่นอกไปจากจิตเนี่ยสติมันไม่ต่อเนื่องตัวรู้มันไม่พอปัญญาหรือญาณทัศนะอันนั้นน่ะการเห็นแย้งด้วยญาณแล้วมันเกิดหดตัวเกิดการขยะบขยงกับความปรุงแต่งที่เข้ามาปรุงแต่งกับจิตเนี่ยมันไม่มีพลังพอ ทีนี่เราก็ดูมันน่ะเอเราจะได้แก่นคําสอนมารักษาชีวิตเพราะว่าไอ้แค่เปลือกเปือกเนี่ยสติระดับนี้นี่มันไม่พอนะเนี่ยได้ใจสบายๆแบบนี้มันก็ไม่พอเพราะอีกหน่อยมันก็หายอีกหน่อยมันก็ลดอีกหน่อยก็อันอื่นเขามาปรุงแต่งละเอ๊ะทำยังไงเนี่ยจึงจะเอาแก่นมันมาได้มาลองดูนะแก่นแท้จริงๆของจิตก็คืออนัตตาคือนิพพานอยู่ใน ใ, นใจ แต่ว่าถ้าพูดมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสภาวะอาการที่มันหอหุ้มก็คือนิวรณธรรมทั้งหลายนี่มันหุ้มอยู่มันหุ้มจิตนี่มันเป็นเปลือกนะตัวม่วงเปลือกนอกตัวม่วงเปลือกนอกแกะได้หรือยังแกเปลือกนอกออกนะแกะอาจากจิตนี่แกออกซะเปลือกมันเนี่ยถ้าแกได้ก็จะเข้าไปขยับไว้ตัวฟุ้งซ่านตัวกามาฉันทะเนี่ย มีไหมบางคนว่าอาหารไม่ถูกปากมีไหมจับขึ้นมาไปทั่วแล้จับแดกใส่ปากมันลองดูดิมันจะถูกไหมมึงอย่ามาคิดบอกวันเนี้ยมันจะปรุงแต่งเพราะสัญชาติยานเดิมมันจะขึ้นมาเราก็ทิ้งออกไปอ้ายังไงก็ได้นีงไก็ได้เมื่อไหร่ที่มันมันไม่ถูกใจเนี่ยมันจะปรุงมันจะคิดหาแต่เมื่อไหร่ที่มันพอดีที่มันหิวหเนี่ยมันไม่มีเวลาคิดหา เวลาหิวเยอะๆนะอย่างไปทุดงเนี่ยโอ้ยปลากระป๋องอันหนึ่งก็หอมจะเหลือเกินนะนะ <c oughs> เอาคำเข้ายัดแล้วยัดอีกในะกระป๋องนะนะรู้สึกว่ามันอริดอร่อยเพราะอะไรเพราะมันหิว น, นี้มันมันไม่หิวเนี่ยเราจะส่วนมากจะบริโภคความอยากเนี่ยยไหลไปทำความอยาก น้นลองดูอา้าความม่วงเอาออกได้ไหมเบือกมนันเองความเบือ่อความไหนความคิดความปรุงแต่งความอยากงุญญนงงหรืขัดเครื่องลังเลสงสัยไอ้สงสั ย, เ, ย, สสยเรื่องตํำรับตําราสงสัยถูกปิดเนี่ยรีบมาถามไปไว้นะปฏิปทาธรรมเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันหลายวันแล้วมันแย่นได้ถ้ามันขัดกับความรู้สึกเราอะ่ะรีบมาถามนะอย่าไปเก็บไว้ เพราะมันจะเสียเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นตะปูที่มันฝังในจิตเอาไว้ความลังเลสงสัยเนอันหนึ่งนะสงสัยในยพระพุทธธรรมประสงสงสัยเรื่องศีลสมาธิปัญญาสงสัยเรื่องสติสัมปชัญญะสงสัยเรื่องการบรรลุธรรมสงสัยอะไรพวกนี้จิตมันจะติดแล้วมันจะออกไม่ได้เฮ้ยพระพุทธธรรมพระสง เป็นยังไงมีจริงหรือไม่มีจริงมันมีคือถ้าได้รู้สึกตัวชัดๆจริงๆมันก็หายไปหมดแล้วความสงสัยพวกนี้มันจะหายหมดเลยนะความสงสัยคือในออโสดาปฏิมรักก็จะไม่สงสัยในเรื่องพิธีกรรมโสดาบันเนี่ยจะหายสงสัยเรื่องประเพณีพิธีกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องน้นเรื่องนี้มันจะหายไปอะ ทำบุญนันนี้อลไรจะไปเป็นนั้นทำบุญนั้นอะไรจะเป็นนันนี้ทำบุญนี้จะได้ความเชื่อพวกนี้มันออกไปจากจิตมอดมันหายไปอะทุกอย่างในมันอยู่ที่มหาสติอยู่ที่ความรู้สึกตัวมันจะเพ่งมาตรงนี้จิตะมันจะเห็นชัดเจนมันจะไม่หายมันจะหายสงสัยมันจะไม่มีความรังเลสงสัยในเรื่องที่ผ่านมาที่ที่ผู้ทุชนเขาเป็นกันเนี่ย ประเพณีพิธีกรรมความเชื่อความงมงายนะตายแล้วไปไหนอะไรประมาณเนี่ยมันหายไปแต่มันจะสงสัยในเรื่องเรื่องมรรคที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยในมรรคในผลขั้นสูงขึ้นไปมันก็จะสงสัยพอทำได้นี้มันก็จะสงสัยเรื่องอื่นไปโน้นไอ้ความสงสัยนี่มันจะจบไม่เป็นจนกทั่งว่าสิ้นอาสวะนีะ่ยความสงสัยก็ดับแต่ถ้าความสงสัยอย่างอื่นนะ สงสัยอะไรนี่นจะไม่จัดเข้าในเรื่องของวิจิกิจฉาในมรคนี่นะจะคนอันวิจิกิจฉาความสงสัยเฮ้ยป่านนี้เขาปิดไฟให้กูเลยยังนอที่บ้านมคนละเรื่องกันนะไม่เกี่ยวกับอันนี้เฮ้ยป่านนี้เมีย ก, กูจะไปอยู่ไหนนาะมันหลอกให้กูมาปฏิบัติธรรมนี่ไอ้ผัวกูไปไหนแล้วเนาอป่านนี้เนี่ยการงานป่า น, นี้คนอื่นจะดูแลให้ได้อันนี้มันไม่เกี่ยวกับอริยมรคนี่นะ ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่ไม่เกี่ยวกับเปลือกของศาสนานี้มันเป็นเรื่องข้างนอกนั่นนะเป็นเรื่องของกิเลสเราหั น, น, นลืมตากว้างๆมองไกลๆมองไกลๆหายยาวๆทีนถ้าเราเอ า, เอาพวกนี้ออกหมดเอาพวกนี้ออกปุ๊บมันเอาออกสองแบบนะ่นนึงออกแบบสมถะนิวรณ์นเนี่ยถ้าสมถะ แข็งแข็งเราเพ่งเราจ้องมันหน่อยมันก็ไม่เกิดนะตามก็ไม่เกิดพยาบาทมูนิตก็ไม่เกิดบวกงห้องนอนก็ไม่เกิดฟุ้ซ่านก็ไม่เกิดลังเลสงสัยไม่เกิดมันนิ่งเลยอ่ะอันนี้แบบหนึ่งใจหยุดมันก็เหมือนเดิมแต่ทําได้เมื่อไหร่มันก็เป็นนั้นพู้หนึ่งเขาเข้าสมาธิเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเกิดกึ่งหลับกึ่งสมาธิแต่วิธีที่สองคือทําด้วยวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือ การทําความระลึกรู้ตัวไปเรืเร่อยๆแล้วเห็นเหตุอย่างที่บอกเออนี่ทุกนะง่วงเป็นทุกนะเหตุเกิดทุกข์มันคืออะไรอ่ะพยายามระลึกรู้รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้มากเข้ามาเข้า เ, าเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองนะโดยไม่ต้องหาเหตุผลพยายามระลึกรู้นี่เอาความระลึกรู้นี่ดูมันเฉยๆคือมันไม่ทนต่อการเพ่งคําว่าเพ่งของพระเจ้าก็ไม่ใช่ฌานแล้วทีนี้แต่เป็นการระลึกรู้เพ่งด้วยปัญญา สติปัญญาเพ่งเนีมันจะเกิดความเข้าใจแบบมันขึ้นมาสว่างวาบขึ้นมาทันทีอะแจ่มแจ้งโอเป็นอย่นี้เอง เ, องเนาะแล้วมันจะหายไปนิวรณ์มันก็จะหายไปด้วยระบบของวิปัสสนาที่เนี่ยนะทีนี้ก็เป็นตัวอื่นนะจากนิวรณ์นะี่จะเป็นตัวอื่นมันจะทําให้ความเข้าใจพอพอแค่นิวรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยการเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาในเบื้องต้นเริ่มปรากฏเกิดขึ้นในจิตแล้ว มันเริ่มรู้รูปนามแล้วแล้วเห็นมันมันเริ่มมีเกิดมีดับในความคิดปรุงแต่งในเวทนาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเริ่มมีแล้วไตรลักษณ์เริ่มปรากฏขึ้นมาในน้อยและ้ะในจิตเราเนี่ยทีนี้มันก็มีปัญหาคำคือมันอยากเทศอยากสอนอยากบอกอยากกล่าวคนนั้นคนนี้เนี่ยปัญหามันคืเขาเรียกว่าวิปัสนาวิภาวะอาการอันเนเองเส้นทางของจิตมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็เบรกไว้ตัวนี้ก่อนนะ คือเวลาเราทําเนี่ยคุณจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันจะเป็นแบบนี้เวลาทําเนี่ยเพียงแต่ว่าขอให้มันต่อเนื่องอันนี้ท่านเองขอให้สติเนี่ยมันต่อเนื่องการดูการเห็นเห็นนี้มันต่อเนื่อ ง, เ ห, เ, หหอ เ, องเห็นชีวิตเราเนี่ยแล้วเราอยาเอาความชีวิตเราเนี่ยไปตามสมมุติที่เราเป็นเราเป็นอะไรเนี่ยจะให้มันไหลไปเป็นอย่า น, นั้นความคิดเนี่ยเราง่วงก็อยากให้เป็นง่วงมันเบื่อก็อยาให้เป็นเบือ่อความคิดก็อยาให้มันไปให้มันรู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ย ปัญญาอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาคือมันอยู่ในภา ว, าวะเงื่อนไขที่มันเราไม่เอาสมมติไปสวมมันล <c oughs> องดูที่คนนี้แก้ผ้าดูดิเนี่ยแก้ผ้าก็จะเป็นตัวคุาตอบตัวเขาเองเป็นแบบนั้นแหละแต่เมื่อไหร่ที่เราสวมชุดในพนเขาก็จะเป็นในพนสวมชุดครูมันจะเป็นครูสวมชุดพระมันจะเป็นพระจิตเรานี่ยเราจะเอาสมมติมาสวมให้มันให้มันรู้สึกตัวล้วนๆภาวะเนี่ย อย่าคิดว่ากูเป็นนั่นเป็นนี่นั้นเวลาฝึกสติเขาต้องบอกว่าอย่าให้เกิดความสําคัญมั่นหมายขึ้นมาในความเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาอย่าสําคัญมั่นหมายในความเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรก็ตามให้มันรู้สึกตัวเฉยๆถ้ามันคิดแหละมันคิดก็ก็ปัดทิ้งไปอะไรลึกรู้ไปเรื่อย ไม่ใช่ยึดเอาตัวรู้ให้มันนิ่งๆไม่ใช่นะตัวรู้สึกตัวนี่อยู่กับเรานี้แต่ว่าอะไรเกิดมาก็ปล่อยผ่านมันไม่เกิดก็รู้สึกเฉยๆเ ล, ลือกรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้อหามันคือเวลาปฏิบัติทำเนี่ยล้มตาเห็นได้หลายสนามคือเวลาพูดให้ฟังเนี่ยมันไม่เข้าใจนะพูดก็คิดว่าพูดง่ายแหละนะมันจะได้โด ย, ยเฉพาะคนที่ไปจับตีนจับมือทํารู้สึกตัวทําแบบนี้นะมาด้วยรู้เรื่อง แต่เนอะคือมันก็ว่ารู้อยู่นะก็โยกไปเนี่ยเวลาไปถามเอา้าเป็นยังไงอยู่กับปัจจุบันไหมวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เดินไปไหนนี่ครับเนี่ย ค, คือมันมันไม่เข้าใจจริงๆนะพอมันไม่เข้าใจเนี่ยมันนําไปสู่การเสียเวลาเจ็วันเนี่ยราะนั้นเราต้องไปทําความเข้าใจจริงๆให้มันชัดๆจริงๆว่ามันเป็นยังไงสติคืออะไรสติระลึกรู้อย่างนี้นี่เระลึกรู้บ้างไหม มึนสีสัหน่อยนะวันนี้กินยาแก้เมาลดไม่เหมือนเก่านะสมัยก่อนน ะ, ะโอ้ยน่ะ่รถเขาก็ได้ขี่รถเขาก็ได้ไม่เมาเดี๋ยวนี้พ่อแก่มาแล้วว่าจะเมาเร็วเกิด อ, อาการเมาวินเวียนขี่รถขึ้นครือบินก็เจ็บหู หูเนี่ยเจ็บต้องอ้าปากอยู่เลยไม่มีบุญขี่ได้แต่ธรรมะเงื่นไปลำบากจะเห็นหรอกเวลามันนน่นคบขี่รถไปสักหน่อยแล้วมันจะเหมือนจากอาเจียนแล้วลองส่งลูกกระจกหน้าจะเลื้งเข้าเลืองเข้านะมึบมับมับว่ะดูมันจะตายนะ เอาก็เตรียมตัวแลวนะเนาะกั้นใจเพิ่มเอาถ้ามันตายจริงคือกั้นใจเพิ่มเมาแล้วนะแต่บางคนก็โอ้ยหลวงตาจะเฝ้าเด้อนะมันจะเฝ้ายังไงนะขั้นหลังอย่าเพิ่งมาผมเฝ้าเอ็นใต้ลดเขานั้วเขี้ยวไว้ ไ, วไหมเอาเปลือกจิตออกเนี่ยจิตนี่มันมีเปลือกเราเปลือกมันออก เอาเปลือกมันออกแล้วจะเห็นตัวจิตล้วนๆว่ามันเป็นยังไง <ừ. S 1> เอาสองันก็ได้ตัวง่วงกับตัวคิดเอาตัวง่วงเนี่ยเอาคิดตัวง่วงมันจะมีนะมันจะมีงดเหยียดบา้างมีเบื่อมีหน่อยมีสลึมสลืงอง่วงเนี่รวมทั้งไอที่มันเหมือนมีสมาธินี่นะไอพวกนั่งสมาธิเก่ า, าๆมันมาทำนี่มันจะชอบแล้วยกมือไปมันง่วงให้นั่งเอาก็ได้ไวย เสร็จปุ๊บก็เอียงซ้ายเอีง ย, ยงขวาเวลาไปบอกก็ออ้าวพระพุทธเจ้าก็ว่าอานาปนาสติเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งนั้นนโยมนะ <c oughs> ไม่มีใครอยากสอนโยมหรอก <c oughs> เขาไม่อยากสอนหลอก <c oughs> ทิฐิเรามา <c oughs> เขาปฏิบัติทำมาเนี่ยสิ่งไหนที่มันรู้ไวเขาก็อยากสอนให้มันรู้ไวๆนั่นแหละแต่ถ้าเรามีเหตุผลเยอะๆนี่จบตรงนั้นแหละ โยมรอดูก็ได้หลังจากนั้นจะไม่มีพระเข้าไปใกล้เลยอเขาไม่ได้อาจสจันคุณนะคุณอยากทุกข์ก็เป็นเรื่องของคนนั่นเองคนไหนที่มันมีความหม่อนน้อมสอมตัวรู้จักมันมันจะเอาเนี่ยรู้จกักเนี่ยเปิดเนี่ยเขาก็ใส่ให้แต่ถ้าปิดอยู่เรื่อยจิตมันปิดเนะ่ะเหตุผลมันมาปิดเยอะเนี่ยมันไม่มีทางหรอกใครก็ไม่อยากสอนใครก็ไม่อยากบอก เพราะมันมันไม่เปิดเนะี่ยพูดไปก็เสียเวลาแล้วจะมาเถียงกันข้างบนนี่หรือเขาจะทีอะไรให้น่เนี่ยนั้นเขาจะเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปยุ่งกับชีวิตคุณเราก็ถามคุณเดียวน้อตาเห็นคนปฏิบัติธรรมขยันขนาดเลยเดินจุ ก, กมกขขยนันแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเวลาถามเนี่คนละเรื่องกันเลย อันนี้ก็จำเป็นนะจำเป็นกัละยาณมิตรก็มีความจำเป็นเราเพียงแต่ว่าไปคิดเอาอย่างงน่นี้เนี่ยเสียเวลาลอนดาบอกว่าเราเคยขี่รถเนะเอาจะไปเชียงใหม่ไปทางช้างเผือกที่เนี้ยไปยังไงเนาะเชียงใหม่คนหนึ่งเอาแผนที่มากลางแล้วค่อยๆขับไปตายก็มีนะเนี่ยไม่ถึงก็มี ถึงก็มีแต่ถามว่าช้าไหมช้าแน่นอนคนระับกับอีกคนหนึ่งไม่กลางแผ่นที่แล้วว่ามีคนหนึ่งมันมาขี่รถนําไปเนี่ยขี่นํากูมาแล้วก็ขี่ตามเขาไปแล้วขี่ไปไม่ต้องดูอะไรดูแต่ก้นรถมันนั่นแหละขี่ไปนี่ถึงถึงไหมถึงเพราะเขาไปมาแล้วเนี่ยเราก็ขี่ตามเข้าไปเนี่ยเขาไปถึงนะั่นแะเราก็ถึงง่าย แต่ถ้าเรามีเหตุมีผลในน น, นน่ะนี่ว่มพระที่เชาาว่าแผนที่มันว่าไปทางนี้นะเอาไม่ต้องมามาตามกูมาเนี่ยโอ้ไม่หรอกนี่มันจะต้องเลี้ยวซ้ายไปสมถนะนันนี่ยกกิตขึ้นสู่อารมณ์โอ้เอาอยู่นั่นแหละมึงเอ้ยตายพอดีลหละไม่ได้ไปอะไรกับเขาเลยชาตินี่จบหมดเวลาเจ็ดวันเนี่ยหมดแล้ว เขาจบเจ็เวลาหมดเวลาแล้วเจ็ดวันยังไม่เห็นทางให้ไปเฮ้ยหมดแล้วเดินพอหมดแล้วก็ไม่มีคนเอาเข้าวมากินแล้วนี่ก็กลับใครกับมันนะก็กลับไปจุดเดิมแหนกับคนหนึ่งเขาเล่งเดินเขาก็เกิดความเข้าใจเกิดปีติเกิดสมาธิเกิ ด, เ, กดนะเห็นทางแกะเปลือกชีวิตออกไปได้นั่นแหละนั้นลองลองทำดูสิทําให้มันว่างๆดูจิตเนี่ยเอาอุปมาหนึ่งวัา บุคคลหนึ่ง เ, เขาบอกว่าอย่างงี้นะพระาศาสนานี่มีคนไปถามพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามมานี้บรรลุทำทั้งหมดเลยไหมตามสถิิประธานสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าว่าถ้าทำจริงเนี่ยบรรลุสอนตอนเช้าบรรลุตอนเย็นสอนตอนเย็นบรรลุตอนเช้านีเอาบั น, นั้นนะคนที่ไม่บรรลุมีไหมมีพระพุทธเจ้าบอก อุปมาเหมือนคนมาถามทางไปเมืองราชคือมันมาสิบคนมาถามทางไปราชคือเนี่ยถามว่ามันจะถึงกรุงราชคือได้ทุกคนไหมไม่ทุกคนน่ยคนนี้มาถามคนนี้มาถามราชคือจากนี้เป็นมันไกลนะถามว่าเป็นให้มรารียาตายระหว่างทางได้ไหมตายมีแว่นั่นแว่นนี่ก่อนลืมได้ไหมมีหลงทางมีไหมมีได้สารพัดเลยถึงมีไหมมี แต่ทุกคนมีโอกาสถึงไหมมีมีโอกาสลงเหมือนกันไหมมีเนี่ยเหมือนกันนะอุปมายอย่างหนึ่งคือมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยจากแสวงหาทางของชีวิตก็มาปฏิบัติธรรมนี่แหละออกประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นสมณะเนี่ยเรเป็นสัมณะนะเป็นสังฆะสังฆะก็คือหมู่ผู้ปฏิบัติดีสังฆะสังโฆปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข ปฏิบัติสมควรอุชุปฏิปโนยายาปฏิโนสามีจิเบโตเนสามีจิตปฏิปโนแล้วก็สูปฏิปโนเรากำลังเป็นอันนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าปฏิบัติดีก็เป็นสูปฏิปโนละปฏิบัติตรงมันถูกเลยเนี่ยมันคิดมากะรู้มันดีเนี่ยมันมั่วมากะรู้มันดีปฏิบัติต r o ตรงไปที่ตัวทุกเนี่ยดูตรงตรงเนี่ยนะเป็นอุชุปฏิปโนยายาปฏิปโนก็คือปฏิบัติเพื่อออกจากทุกมันทุกมาออกมันอยู่กับปัจจุบันนี้เนี่ย สามีจิปติมโนก็ปฏิบัติสติในพอสมควรแหละใหมารู้ตัวทุกรมมา ก, กันเจ้าเกิดมนการรู้แจ้งจนมาเป็นมรรคเป็นผลนั่ น, นะนั้นท่านทั้งหลายก็เป็นสังโฆเนี่เป็นสงที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราออกจากบ้านทิคนังสิกาซาชีวะสมาปันาถึงพร้อมด้วยสิกาแล้วทำเป็นเรื่องของจีระปรินิพุทํมปิตตมพระมาตังติงสัหันตังสมาสัมพุตตัง เราตั้งหลายอุทิจศเะ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกล้ จ, จากกิเลสแต่สรูชอบแล้วพระองค์เองแม้ผรินิพพานาแล้วพระองค์นั่นเนี่ยศรัทธาอัครสมานคารยมปพัจจิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วฟังดีๆเด้ออกบวชนี่ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะเนี่ยถ้ามันยังอยากโทรกลับไปบ้านอยู่มันก็ผิดละ ยังคิดถึงนั่นนี่อยู่มันก็ผิดละนั้นมันไม่เกิดภาวะทางธรรมขึ้นมาเพราะคุณปล่อยจิตมันคิดไปบ้านไงเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนและไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัดสมิงพรมม ร, รรยยจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพระมรรยในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั่นที่เราปฏิบัติธรรมถึงพร้อมด้วยสิกขาศิกขาก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีธรรมก็คือการกระทํามนี่แหละ ได้ ล, ลึกรู้อยู่ในธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราเป็นอย่างนั้นไหมตังโนพรหมจัร์ยัยิมัสสกีวลัลัสสทุกขคันดัสสันตะกิยาสังวตตโตขอให้พรหมจันท์ทั้งหลายท่างหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดการประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์ก็คือประพฤติอย่างพรหมจันท์ก็คือจริยะนรมเนี่ย การประพฤติอย่างพรมพรมก็คือความปกติพงก็คือความว่างพรมอาจารย์นเนี่ยความไม่มีทุกข์ความสิ้นทุกข์ขอให้พรมจัรย์ของเราทั้งหลายนั่นความบริสุทธิ์ของจิตพรมอาจารย์นเนี่ยบริสุทธิ์ของกายแบบโลกนะแต่ทั้งทำคือความบริสุทธิ์ของจิตของเราเนี่อาจจะไปเปื้อนมานะ ่ไปคิดไปปรุงแต่งไปหงดยิดไปเกิดไปเครื่องมันสะสมมาแต่เวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพรหมจรรย์นี่มันจะบริสุทธิ์สะอาดขึ้นมามามันเกิดความสว่างแจ่มแจ้งขึ้นมาท่านอุปมาเหมือนเหมือนใบบัวเวลาน้ําตกถูกมันจะกลิ้งออกไปของมันเองมันจะกลิ้งออกไปของมันเองหรืออันนี้พูดถึงมรณะเหมือนใหยแมงมุมเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเหมือนใยแมงมุม กินมันสารสารตัวมันก็จับอยู่ตรงนั้นมันจะมีอุปมาเหมือนมีหกเส้นเนี่ยแล้วมันก็ขายรอบแบบนี้สารอะไรวิ่งมาเกาะปุ๊บเนี่ยแมงมุมตัวนี้มันจะจับอยู่ตรงเดิมมันจะเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าเพื่ออะไรเพื่อให้ให่มาในติดตัวนั้นให้ได้แล้วมันก็จะวิ่งไปเกาะปุ๊บเอาเขี้ยวเกาะจึกลงไปแล้วก็หลังสาและลายเนื้อออกแล้วมันก็จะดูกินพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย เธอพยายามมีสติให้อยู่กับตัวเองเป็นแบบนั้นน่ะและลึกรู้อยู่เนี่ยอะไรที่เข้ามากระทบทางตาเส้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนหกเส้น 6, หกใยเหมือนแมงมุมเนี่ย <c oughs> พอมันเข้ามาปุ๊บรู้พอรู้ปุ๊บรีบกลับมาอยู่ที่เดิมตรงกลางตรงศูนย์กลางแมงมุมมันจะอยู่ตรงศูนย์กลางไม่ได้อยู่ตรงขอบนะพระพุทธเจ้าพิสูจน์ทางไหนเธอทําเหมือนแมงมุมเนี่ยมีสติและลึกรู้อยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วดูแบบนั้นเราก็ดูไงโอ้มันเป็นแบบนี้เนาะนะ เขย่าไปยังไงเวลามันคิดเยอก็เขย่าอันนี้เขย่าแรงไปนะเนี่ยทำนิดแรกเขย่าเยเยอถ้างั้นมันไม่หลุดเนี่ยมันม่วงมาต้องเขย่าแรงนี่งเขย่านิดเขย่านิดๆเนี่ยเขย่าเขย่าเขย่าแล้วไอ้นั่นมาจะตายที่มันมาเกาะเนี่ยกับมากรมุนกรมุนมาดดกินซะมีโยมคนหนึ่งนะปฏิบัติทำอยู่กับหลวงตาเดินตนไหนก็่วงเดินไหนก็่วง วันหนึ่งเดินไป น, นึกขึ้นอย่างไรไม่รู้เฮ้ยไอความง่วงน่ยกูจะกินแม่มันจะมึงเข้ามาได้นะแล้วต่อมาง่วงง่ว ง, งแกกอ้าปากงกหมดนึกได้ยังไงก็ไม่รู้นะเป็นนายช่างชนประานนะเดินไปเดินมาอา ม, งองมาึงง่วงงกกินหมดอีเอา้ากินแม่มันจนหนึ่งคำเลยนะ ทีนี้ก็ไปกินข้าวเพลินทีนี้พอไปกินข้าวเพลินท้องมันเต็มมันงาบไม่พอมันจะงาบไม่ไหวนะเพราะมันมันตึงเนี่ยท้องเนี่ยมันกินไปหมดกินอาหารเขาไปตึงแล้วมันก็จะไม่อย่างงาบความม่วงนะมันจะยากลำบากงั้นวันนั้นได้อุบายกขาบอกว่างาบตลอดเลยเนี่่วงเข้ามันง่าบกินหมดกูจะกินแม่มันให้มุดเลยเนี่ยอสมน้ําหน้าวันไหนวันไหนก็ผลักหัวกูเซ่ไส้เซขวาอยู่นี่ก็ใช่ของเขานะเขาตั้งใจ งั้นเราก็ลองดูดูอาการของมาันเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเข้าสู่สมรภูมิรบตามหลักคําสอนพุทธญาตเราจะทําให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเราจะฝึกตามหลักสติปัฏฐานสูตรเราจะฝึกเพื่อเป้าหมายการพัฒนาชีวิตไปสู่ชีวิตที่สะอาดสว่างสงบเราก็เลือกดูมันเนี่ยทีนี้ถ้านอุปมาอ ย, อย่างนี้ในหลายคนขาดความตั้งใจนะปฏิบัติธรรมหรือความตั้งใจมันค่อยๆหรือบางที ความเข้าใจมันไม่ตรงประเด็นหลายหลายคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยล้วก็เห็นนะใน ส, น, นสำนักนั้นสำนักนี้มันไม่ตรงปฏิบัติไม่เป็นอุชุ ป, ปฏิบันโนภิกษุทั้งหลายมีบุคคลบางจะพวกที่เข้าไปฝึกจิตฝึกใจโดยมีความมุ่งหวังว่าจะทำพระนิพพานให้แจ่ม แต่เขาไม่มีสุดตาไม่มีการได้ยินได้ฟังเขาไม่มีความเข้าใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิแม้เบื้องต้นก็ตามไม่มีกาลยาณมิตรไม่มีความใส่ใจไม่มีการรับรู้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับอยากได้แก่นไม้แต่พอเขาไม่รู้เขาเข้าไปในป่านะ ไปหยิบเอากิ่งไม้กับใบไม้มาด้วยสําคัญว่านี่คือแก่นแต่ความจริงไม่ใช่เป็นกิ่งไม้กับใบไม้จะจริงเขาจะเข้าป่านี่เพื่ออะไรเพื่อดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราจะมาหานิพพานเนี่ยเนี่ยเราจะมาดับทุกข์เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนทั้งหลายก็มาปฏิบัติแต่มีคนจํานวนไม่น้อย ที่ว่าจะไปเอาแก่นไม้เนี่ยเอาลิ่านกลับไปเอาใบไม้เอากิ่งไม้พราะพุทธเจ้าว่าตถาคตกล่าวว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเหล่านั้นหลงปฏิบัติธรรมแลยหลงหลงในลาบสักระชื่อเสียงเป็นที่สาปามโมก คือชื่อเสียงขยกระจายไปในทิศทั้งสี่คนนั้นก็รู้จักคนนี้ก็รูจักแล้วก็มีความพอใจในสิ่งเหล่านั้นกิ่งไม้ใบไม้เปลี่ยนเหมือนลาบสักระชื่อเสียงในศาสนานี้ในธรรมวินัยนี้เนี่ยดูนะะหลายๆคนนั้นปฏิบัติธรรมก็ประมาณนี้แหละบางคนไม่เอาไม่พอใจในกิ่งไม้ในใบไม้ไม่อยากได้ลาบสักระชื่อเสียง บอกปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติทะลุอันนั้นมาไม่สนใจสมาทานศีลสมบูรณ์แบบเคร่งคัดปฏิบัติทำเนี่ยเข้มข้นมากนะไปทางไหนก็มีศีลสีมีศีลในจระมีข้อวัดปฏิบัติอย่าลงลวตาเล่าให้ฟังนะเจือพระโอ้ยศีลงดงามมากนะถ้าติดอยู่ในศีลในข้อวัดปฏิบัติไปเนี่ยหลวงตาเคยเห็นพระลงปูองหนึ่ง่ะ ท่านบินธบาตมาแล้วท่านจะไม่ฉันร่วมกับหมูเขาเน่แล้ท่านก็ไม่ฉันด้วยตอนเช้าแต่ท่านจะห่อเอาห่อแล้วก็จะใส่ผ้าแบบนี้แหละแล้วท่านก็จะมัดใส่เอวท่านถ้าท่านกับไปดายหญ้าบ้างทํางานบ้างแล้วก็ไปนั่งสมาธิบ้างอะไรมาแต่ท่านคิดรับของท่านคือไม่ให้มดมันตอมไม่ให้มดมันไต่ไม่รู้ท่านสมาทานข้อวัดปฏิบัติมาจากไหนะ การเยี่ยวก็เหมือนกันนะ่ะท่านต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเสมอไปเจอซ่วมที่เขาทำไปทิศตะวันตอกออกนี่ก็ต้องหันไปทางทิศตะวันตกแต่ก็ดีนะรู้ตาเห็นท่านมีอิทธิฤทธิ์นะมีความขลังเกิดขึ้นเนี่ยความขลังเกิดขึ้นเกิดขึ้นคือ อ้าววางไว้ก่อนนะค้อมขลังเดี๋ยวพวกเธอจะหาค้อมขลังซะละเราดวงอื่นที่นี่ส ม, มณะพรามณ์บางพวกนะไปปฏิบัติธรรมฝึกเอาศีลเนี่ยเข่งคัดมีข้อวัดปฏิบัติบมเพ็ญตะบะแบบนี้นี่ก็แสดงว่าเอาเอาอันนี้ไปแต่ว่าไม่เข้าถึงวิมุตต์หลุดพ้นนะั่นน่ะไม่ถึงนิพพานนะ่ะ ไม่ถึงแก่นคําสอนพระพุทธญาติอบอกว่าอันนี้เหมือนกับว่าเข้าไปในป่าบุคคลเข้าไปในป่าแล้วมุ่งหวังว่าจะได้แก่นไม้กับเอาสะเก็ดไม้มาบําเพ็ญศีลเคร่งคัดเนี่ยเคร่งคัดนี่ได้สะเก็ดไม้นะแต่บุงคลศีลก็ไม่เอาเอาสมาธิปฏิบัติทำเคร่งคัดมากเอาสมาธิมุ่งเน้นที่สมาธิอย่างเดียวท่านก็เหมือนกับเอา เปลือกไม้ได้เปลือกไม้มาชีวิตเนี่ยไม่เห็นแก่นทำนะมีสมาธิมั่นคงก็ได้เปลือกคนมานะทีนี้บางคนไม่สนใจเรื่องเปลือกศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์แต่มุ่งเน้นไปที่ญานนณทัศนะมุ่งเน้นที่การรู้แจ้งแล้วก็อยู่กับความรู้แจ้ง น, นั้น บางคนอยากได้ความรู้มากนะปฏิบัติทำเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นจังหวะเวลาเกิดความเข้าใจอันนั้นเข้าใจอันนี้ขึ้นมาเนะ่ยมันจะจมแจ้งขึ้นมาสว่างขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเป็นยาทางทศานาท่านบอกว่าเปรียบเหมือนบุคคลผู้จักได้แก่นไม้แต่เข้าไปก็ได้ได้กับพีกัปพีขึ้นเนื้อมันนะแต่มันไม่ใช่แก่นนะภาษาท่านเรียกว่ากับพีไม้มี ใบไม้กิ่งไม้มีสะเก็ดมีเปลือกมีกระพีแต่มีอีกบุคคลบางประเภททีเนี้ยบุคคลประเภทหนึ่งโดยเฉพาะอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้มีความมุ่งหวังจะปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ไม่ได้สนใจนะไอเรื่องอะไรนะข้อวัดปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องลาภสักระชื่อเสียงหรือแม้แต่เรื่องของ ยานะทัศนะแต่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นอาสวะแบบไม่กำเริบมันมีกำเริบแบบไม่กำเริบเลยนะคำว่ากำเริบคือหมายว่า เ, เหมือนหลุดพ้นแล้วเหมือนดับทุกได้แล้วแต่ทำมันก็กำเริบขึ้นมาอีคือมันเป็นอีกนะตอนนั้น้ความโกรธก็หายแล้วเกาโกรธยังมีอยู่นี่เงี้หงุนหิตลาขะเออมันหายไปแล้วทำไมมันมีอีกอเนี่ยนี่เอาแบบไม่กำเริบเลยดับสีายหมดเลย อันนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตต ร, รู้แจ้งถึงความวิมุตตหลุดพ้นอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลผู้ปรารถนาอยากได้แก่นไม้เข้าไปในป่าแล้วได้แก่นไม้มาเนี่ยเราทั้งหลายมีความสนใจเรื่องเป้าหมายของชีวิตเรามาปฏิบัติธรรมนี่ต้องการแกนต้องการเปลือกต้องการใบไม้หรือต้องการกระพี้หรือต้องการแกนที่เรามาเนี่ย อะไรคือเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆหรือเราอยากทําพอเป็นพิธีเป็นแฟชั่นแล้วเขาทํากว่าทําไปกูก็ไม่มีงานจะทํอ่ากินข้าวกับพระก็อพอเฉีดมื อ, อกูก็ประหยัดไปได้พอสมควรน ะ, นะมันก็กินยากนะญาติโยมเว้ยเพื่อจะได้กินก็ตัวเฮ้ยทุกเียบตายนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะแต่คนทัางหลายทั้งปวงเ ข, เขาสนับสนุนเขาให้โอกาส คนบุคคลใดก็ตามที่มุ่งทำราภโทสะโมหะให้จะเบาบางจืดจางคือฝึกจริงเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยอ่ะแล้วคนเขาจะสนับสนุนดีมากนะเพราะพวกนี้จะมักน้อยสันโดษในหลายคนนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมิจะลงทานลงทานไปตั้งรงทานก็เต็มนะงทานนั้นก็ทำให้ปรัตตูปรจจีวิเปตลงมากิน นะไม่ได้เป็นเรื่องของคนปฏิบัติธรรมถ้าคนปฏิบัติธรรมก็จะมักน้อยสั้นโดดด้จากปล่อยวางกินอาหารเห็นไหมมันไม่กี่ช้อนที่เรากินเนี่ยแล้ว อ, อย่างมากคนก็สองทพีประมาณนะั้นเรื่อศาสนาพุทธมันจะเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะว่าไอเรื่องอัตราตัวตัวเนี่ยเรื่องบุญก็เป็นเหมือนกันนั่น บุญหรือลงทานลงอะไรคือการทำลายกันอยู่ดีทำลายเรื่องมรรคผลนิพพานทำลายเรื่องสาระของชีวิตของการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นจากการมักน้อยสันโดษเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยคนทั้งหลายทั้งปวงบ้าบุญเยเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดังนั้นเวลาเราปฏิบัติทำ <c oughs> มาทําความเปลียนเนี่ยเป้าหมายของชีวิตเราก็คือ ให้พ้นทุกข์ซนะเป้าหมายของสติปัฏฐานสี่ก็คือนะจนกระทั่งเห็นการเกิดดับแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งอาสวะธรรมเขบาบอกว่าอุปาทิเสเสอนาคามตตาติถุพิกเวอัตมาโซกึ่งเดือนโยงไว้กว็ได้ ครึ่งเดือนนี่ยก15หวันยกไว้ก็ได้บคดุคคลใดก็ตามเจริญสติประฐานสี่อยู่เจวันสตวัฏ z เนี่ยจะเจวันยังมีผลสองประการคือสามารถเป็นพระอรหันต์คือสิ้นทุกในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาธิคือสังโยชนออุปาธิคือมันยังมีอยู่นะ่มันไม่ออกหมดนะ่มันยังเหลือข้างอยู่อย่างมากก็เป็นพระอนาคามอย่างน้อยเป็นพระอนาคามี อุปาทิเสเสอนาคามิตาในปัจจุบันทิฏฐะทิเทธทิเทว่าธรรมีอันนี้คือปัจจุบันชาตินี้เลทิฏฐะธรรมิกัดถประโยชน์คุณประโยชน์ปัจจุบันนี้ภาวะที่เกิดอยู่ในปัจจุบันนี้พบนี้ชาตินี้ดังนเวลาเราปฏิบัติธรรมเจริญสติก็มองดูเออเป้าหมายของสติปัฏฐานสก็คือเป้าหมายชีวิตเราเป้าหมายชีวิตเราก็คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแหล ะ, นะ ค, ค, ะ, ค, ะ, ละคือความสิ้นทุกนิพพานังบรมังสุขังความสิ้นทุกนั่นแหละคือความสุขความสุขคือความสิ้นทุกนะแล้วเกิดมาก็เป็นทุกที่เรามาศึกษาให้รู้จักทุกตามหลักของอริยสัจ ท, ทุกเป็นยังไงสมุทัยเหตุเกิดทุกเป็นยังไงทุกก็คือมันคิดมันปรุงแต่งไง สมุทัยมันคืออะไรเพราะมันมีอวิชชาข้างในคืออวิชชาแปลว่ามันยังไม่รู้แจ้งนะอันนี้รู้สึกเฉยๆนะนี่รู้สึกเต่มันยังไม่ใช่รู้แจ้งที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจะให้มันรู้แจ้งก็ต้องรู้สึกก่อนรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นม า, ข, นมาขึ้นแล้วมันจะไปสู่การรู้แจ้งอนั้นแต่มันต้องรู้สึกตัวซะก่อนนั้นเขาบอกว่าให้กําหนดรู้อย่าเน้อยสติที่มันตื้นๆเนี่ยอย่างมันคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ตัดได้บ้าง แต่ไม่ได้มดแต่มันยังฝังจิตฝังอยู่ในจิตเว้นไว้จะเกิดอยากมันเกิดยาณทัศนะเนี่ยมันถึงจะตัดภาวะไอ้ที่มันฝังอยู่ในจิตนั้นออกได้แต่ถ้ามันยังไม่เกิดปัญญาแบบนั้นเนี่ยมันก็ยังฝังอยู่ในจิตนั้นอยู่แหละมันก็ตัดได้เป็นบางอันแต่มันก็จะผุดขึ้นมาอีกคันบอกว่ารากเง่าของเอาสนที่อยู่ในใจเนี่ยถ้าตัดรากเง่ามันบอกไม่ได้เนี่ยทุกข้อย่อมเกิดร่ําไปมันก็จะขึ้นมาอยู่เหมือน มันเราเอาเง่าเอาหัว อ, ออกไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะตัดกิเลสแบบถอนรากถอนโคนเราเคยได้ยินน่ะอนั้นน่ะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะลงลึกไปปานนั้นนะอย่างเป้าหมายในสถิติประธานสี่ก็กล่าวให้ฟังแล้วว่าเป็นแบบนั้นเราเองท่นานทั้งหลายเกิดมาเนี่ยเป้าหมายคือไม่อยากเป็นทุกข์นั่นแหละแต่ว่ามันก็หลงทางไปเรื่อยๆมันหลงทางไปก่อนหลงทางไปทํำไปนั้นลงเขาคือห ล, ลงทางไปอ่ะพอหลงไปแล้วเป็นยังไง มันก็ทุกข์เพราะมันขัดกับความจริงไงความจริงคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงถ้าเราไปขัดกับความจริงมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะแล้วเกิดมาไม่อยากเป็นทุกข์ไม่ไม่อยากเป็นทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์คนก็ต้องเข้าถึงความจริงของชีวิตทุกอย่างเนี่ยกฎสัจจะก็คือไตรลักษณ์มันมีอยู่แล้วในสรรพสิ่งเนี่ยทุกอันเลย แม้แต่สมมติทั้งหลายก็มีปรมัดอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าจิตเรามันเข้าไม่ถึงไงมันเข้าถึงความจริงอันนี้ไม่ได้ฉะนั้นจิตของเราก็เลยถกูกกิเลสเนี่ยมันหลอกไปหลอกมาทำตามสมมุติไปเรื่อยๆมันให้ทำนั้นเราก็ทำมันให้ทำนนี้เราก็ทำทำๆกระแสไปแล้วกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เอื้อเฟือเพื่อจะออกจากทุกข์หลายหคนนะเวลาเราชวนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ยยังไม่ว่าง ให้ว่างกว่านี้ซะก่อนมันจะมีเหรอกิเลสในใจนันก็คือเหตุผลนั่นแหละเหตุผลนั่นแหละคือกิเลสเนี่มันไม่ค่อยว่างให้หรอกคือว่างวันนี้วันหน้ามันก็ไม่ว่างวันต่อไปมันก็ไม่ว่างอยู่ดีมันต้องเด็ดขาดกับมันในชีวิตอัเนี่ยถ้างนั้นเราก็จะได้มันไม่ใช่เราอ่ะชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่รู้อะไรเ่ยพาผักดันไปเรื่อยเนี่ย เราก็ไหลไปสู่ความตายเรื่อย ๆ, ๆ, ๆที่บอกว่าอันนี้มันจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความตายทางขันห่านะแต่ทางธาตุสี่เนี่ยก็ตายปกติแต่ขันห่าททางจิตเนี่ยมันไม่ตายมันไม่ตายคำว่าไม่ตายคือมันไม่ทุกันเองอะมันไม่ทุกแล้ว มันมีภาวะที่มันปกติแล้วมันอยู่เหนือการตายแล้วตายก็ไม่กลัวเกิดก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะปฏิบัติธรรมเนี่ยจนกระทั่งถึงสามารถเข้าไปทําลายภพทําลายชาติที่อยู่ในจิตได้แล้วภพหนึ่งหนึ่งที่มันเป็นหลบเนี่ยลบอยู่ตรงไหนเนี่ยเราทําลายได้หมดแล้วมันมาหลบตัวนี้คือมันจะกําลังจะคิดเรื่องนี้กตัดมันซะมันหลบอยู่เรื่องนี้ก็ตัดมันซะมันเข้าไปคิดเรื่องนั้นก็ตัดมันซะตัดอยู่บ่อยๆเนี่ยมันไม่มีภพภูมิที่จะไปอาศัย ต่อไปเดี๋ยวเราก็สิ้นภพสิ้นชาติมันไม่มีภพที่จะไปอยู่มันก็รู้จะไปเกิดที่ไหนเนะี่ยเพราะตัณหาเนี่ยมันต้องอาศัยภ พ, อ า, ยพอาศัยภูมิที่เกิดของมันงั้นเราตัดบ่อยๆทิ้งบ่อยๆวิธีทิ้งบ่อยๆคือรู้สึกตัวบ่อยๆนี่แหละเดี๋ยวมันดับไปเองเพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วพอเข้าใจนะคิดว่าคงทําได้หรอสิ่งที่ควรจะทําแนะนําก็คือในเบื้องต้นคือขยันและลึกรู้ ไปห้องน้าห้องท่ากินข้าวกินน้ํากําหนดรูนะ้ทำอะไรก็ตามนะกาหนดรู้เดินไปอย่าคุยกันเป็นอันขานนะนะถ้าอยากเข้าถึงสัจจะของชีวิตเนี่ยมันเหมือนกันนะของโยกของพระของใครก็ทำเหมือนเหมือนเหมือนกันนะต้องเด็ดขาดถ้าเดินไปแล้วก็คุยกันไปปฏิบัติทั้งวันแต่เดินกับกลุ่มคุยกันไปเนี่ยยากเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ที่ว่าจะให้ทุสติมันต่อเนื่องไป็นลู้โซมันต่อได้ไหมมันไม่ต่อเพราะอะไรเมื่อไปคุยกันมันก็จบไปอ่ะมันไม่เปลี่ยนแล้วจะเห็นความขาดออกของกิเลสเนี่ยมันขาดไม่ได้แค่แค่เราขาดการพูดการคุยเราก็ไม่อยากขาดแล้วเนี่ยเห็นไหมนักภาษาจะเห็นภาวะของการขาดออกของกิเลสที่ปรากฏอยู่ในจิตเนี่ยที่เราจะเห็นแจ้งมันเนี่ยมันยิ่งยากอันนั้นอ่ะ ต้องทำเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมานี่เนี่ยอย่าไปรู้จักกันอย่าไปคุ้นเคยกันอยู่ใครอยู่มันเฝ้าดูในใจถ้าสงสัยก็ถามพระพี่เลี้ยงคิดว่าน่าจะได้ผลนะปฏิบัติทาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกล้วยเหมือนอาหารเอาแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ในเราก็มาบอกให้ว่าเอาปฏิบัติเท่านี้นะรับรองสามารถรู้ได้ทั้งหม ด, นะนนดเนี่ยในในพระไตรปิฎกเนี่ย มันจะเข้าใจตามนั้นถ้าปฏิบัติแค่นี้มันจะเข้าใจตามนั้นไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกให้มากไม่ต้องไปสนใจอะไรเอาแต่ความรู้สึกตัวพยายามสังเกตดูดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดไปเรื่อยๆประคองไปถ้าจะใช้ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ยากเราก็เลยจัดมันสู่ระบบเลยเหมือนเข้าโรงเรียนติวเอาเลยอย่างเงี้ยแลลึกรู้ให้มันต่อเนื่องเงี้ยเชื่อว่าปัญญานั้นเกิดแน่ๆนะอา้าพูดคุยมาขอคณโมธนานะ ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพินิษ์พิจารณาฝึกฝนอบรมจิตตัวเองให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้รอบรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่ในความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับจิตให้ได้ในเวลาใกล้นี้ด้วยการทุกรูปกนามเ อ, อ